ระอาพิธรมปิดกไม่มีจริงหรือถ้าทางวัดทางพระศึกษามาด้วยดีปฏิบัติมาโดยชอบรมแล้วออกมาไม่ค่อยผิดพลาดถ้าไปศึกษาเฉยเฉยไม่สนใจกระทั่งว่าศีลเป็นยังไงศีลเป็นยังไงไม่สนใจมีแต่ศึกษาจับคำเอาเฉยเฉยคำพูดคำพูดศีลไม่มีสักตัว มันอาจจะลบว่าในพระไตรปิฎกนี้ไม่มีพระวินัยปิีกก็ได้เวลานี้ก็เริ่มปรากฏแล้วว่าอภิธรรมปิีกไม่มีในพระไ ต, ตรปิฎกไตรแปลว่าอะไรติออกจากสามแปลสภาพมาเป็นไตรปิีกแปลว่าภาชนะฟังให้ดีนะมี่เรียนมาจะเอามาหาออกเสววันนี้ ภาษาบาลีเรามาแปลเป็นภาษาไทยว่าปิดกแปลว่าภาชนะสำหรับรับรองปิดกทั้งสามไตรนันนะสามภาชนะสำหรับรับธรรมะทั้งสามประเภทพระวินัยหนึ่งพระสูตรหนึ่งพระอภิธรรมหนึ่งนี่คือปราดไปจดจารึกมาออกเป็นพระไตรปิดกพระวินัยหนึ่ง พระสูตรตันตปิฎกหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกหนึ่งเรียกว่าสามพระวินัยปิฎกนี้เรียกว่ากฎของพระวินัยของพระกฎหมายของพระพระสูตรนั้นพูดถึงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลทำดีทำชั่วตกนรกไปสวรรค์อะไรมีอยู่ทั่วไปเรียกว่าพระสูตรบางแห่งธรรมะที่สูงกว่านั้นเข้ามาเป็นพระสูตรก็มี เจนรรมจากกับปวัฒนาสูตรนี่อริยสัจนั้นเนี่ยเข้าใจพระอภิธรรมปิดกได้เลยไม่สงสัยจากนั้นก็พระอาภิธรรมพระอาภิธรรมปิดกแปลว่าธรรมะที่สูงสุดกว่าธรรมะทั้งสองประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาด้วยพระอาภิธรรมปิดกด้วยจิตตภาวนา ราแก้วของพระอภิธรรมปิฎกคือภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นด้วยองค์ภาวนาล้วนๆเป็นศาสดาเอกเจริญานาปานสติเป็นยังไงที่ว่าพระอภิธรรมปิฎกจิตเจตสิกนิพพานมีแต่เรื่องจิตล้วนๆนนะ่ะเนี่ยละ่ะท่านแสดงในอภิธรรมปิฎกไว้นี่ก็ดูไม่ใช่มาพูดพล้าๆเนี่นะ ไม่ว่าพระสูตรพระวินัยพระอาภิธรรมเราดูมาก่อนทั้งนั้นก่อนที่จะออกปฏิบัติเพราะฉะนั้นที่จะมาโกหกง่ายๆไม่ได้นะควรตีปากตีเอาเลยเราก็มีมือเขาก็มีปากเขามีปากพูดออกมาเป็นการลบล้างอัตรธรรมตีปากเลยอย่าว่าอย่างนั้นนะก็เรียนมาด้วยกันเห็นมาด้วยกันนี่แวแวๆทราบมาอย่างนั้นว่าพระอภิธรรมปีดกนี้ ไม่มีในพระไตรปิฎกมีสองปิฎกคือพระวินัยปิฎกกับพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกคือหัวใจของพระถ้าอันนี้ไม่มีแล้วก็แสดงว่าศาสนาพุทธเราหมดเลยไม่มีศา ส, สดาองค์เอกก็ขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นจากอาภิธรรมนี้พระอรหันตุกองค์ขึ้นจากอาภิธรรมปิฎกนี้ไม่ขึ้นจากไหน พระวินัยปีดกนี้ท่านบัญญัติที่หลังแต่ก่อนยังไม่มีพระวินยัยเมื่อทําผิดทําพลาดก็ตั้งบัญญัติพระวินยัยกฎหมายพระเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆกฎหมายเป็นพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นอนุบัญญตัติคือบัญญัติที่หลังปลีกย่อยไปอาบัตเล็กๆน้อยๆนี้บัญญัติต่อไปต่อไปนี้เรียกว่าพระวินัยปีดก พวกพระสุตตันตปิฎกใครก็ทราบดังที่พูดนั่นล่ละนิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้ส่วนมากออกจากพระสุตตันตปิฎกหมายเหตุคําว่านิทานตามบาลีนั้นความหมายคือบ่อเกิดแหล่งกำเนิดเหตุเกิดเรื่องเดิมข้ออ้างเช่นคําว่านิทานวัจนะคือคํำถแถลงเรื่องเดิม ข้อความเบื้องต้นส่วนพระอภิธรรมปิดกนี้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานเลยเถียวพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระอภิธรรมพระอาหารหันตรัสรู้ด้วยพระอภิธรรมถ้าพระอภิธรรมนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกหรือไม่มีในศาสนาแล้วศา ส, สนาก็หมดไปเลย นี่คือรากแก้วของศาสนาได้แก่พระอภิธรรมจะเป็นอะไรไปมันเรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติก็จะไปรู้อะไรให้เรียนสิพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกอย่างเรียนในหลักธรรมชาติคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกก็เรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติมาปฏิบัติปฏิบัติลงในจิตตภาวนา ภาวนานี้จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่พระอภิธรรมจะเป็นอะไรไปคำว่านิพพานจิตเจตสิกรูปนิพพานอะไรเหล่านี้อธิบายไปเป็นเรื่องอภิธรรมคือเกี่ยวกับเรื่องจิตตับภาวนาล้วนๆลงได้เข้าทางด้านภาวนาหนีจากอภิธรรมไม่ได้แยกไปไม่ได้เลยถ้าอยากตกนรกก็เอา ว่างั้นเลยพระอภิธรรมไม่มีนั่นละ่ะมันจะลงนรกต่อไปนี้พระวินัยก็จะไม่มีแล้วก็ยังได้ยินว่แววอีกนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ควรจะไปยึดท่านคือพระพุทธเจ้าไม่มีท่านปรินิพานไปแล้วยังเหลือแต่พระธรรมกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้านิพานไปแล้วถ้าจะไปยึดองค์ท่านก็จะเป็นการติดรูป ติดอะไรท่านไปนี่มันบ้าหรือดีวันนี้พูดเรื่องบ้าด้วยกันเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตัดพระพุทธเจ้าออกคือพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วถือท่านหาอะไรเขาว่าอย่างนั้นเราก็อยากถามย้อนขึ้นมาหาโคดซ่าของเขานั้นตายไปแล้วเขถือท่านทาไมเราอยากถามว่าอย่างนั้นนะ ก็ยังถือโคดถือแ z ่อยู่นะโคตแ ZA พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วก็ยังเคารพนับถือท่านอยู่ใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเพียงพระรูปพระรา่างก็ยังบอกแล้วนี่นะเนี่ยหละ่ะองค์ศาสดาเอกที่เป็นหัวใจของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งหัวใจของชาวพุทธเรา ตัดพระพุทธเจ้าออกแล้วมีความหมายอะไรจะว่าติดพระพุทธเจ้าเอา้าถ้าว่าจะกลัวติดพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสายทางเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือพุทธะธรรมะสังฆะนี้เป็นทางเดินหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะก้าวไปตามสายทางพุทโทธธรรมโมหรือสังโฆก็ตามเข้าสู่มรรคผลนิพพาน อันเป็นธรรมธาตุล้วนๆจะเข้าอยู่สามจุดนี้พุโทโธกระเทือนถึงธรรมะอันนั้นเลยธัมโมกระเทือนถึงธรรมะอันนั้นเลยสังโฆกระเทือนถึงธรรมธาตุอันใหญ่หลวงนั้นเลยแล้วไปตัดพุดโทโธออกแล้วมีความหมายอะไรเอาบอกกันเลยมาวัดป่าบ้านตาดเนี่ยสายทางที่จะมาวัดป่าบ้านตาดมีเห็นไหม เวลานี้เขาลาดยางเรียบเขาลาดยางมันไม่ดีสู้เราบุกเลยไม่ได้อย่ามาตามทางถ้ามาตามทางเนี่ยมันจะติดหนทางมันจะติดรูปติดร่างของถนนหนทางติดยางติดอะไรให้บุกมาเลยทีเดียวต้นไม้แถวนั้นจะพังไปหมดนั่นแหละหัวมันแตกหัวแตกต้นไม้พังไม่พังไม่รู้แหละนี่เห็นไหมอย่างนี้มันก็จะมาพูดหน้าด้าน ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เรียนธรรมะเรียนมาทำไมเรียนมาแบบนี้นะลบล้างศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่มีศา ส, สนาก็หมดจะว่าอะไรศา ส, สนาเกิดจากใครไม่เกิดจากพระพุทธเจ้านั่นคำว่าพุทโธพุทโธคือหัวใจของชาวพุทธเรายึดพุทโธนี้ เพื่อรวมกระแสจิตเข้าเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาพุทโธนี้เด่นขึ้นมาธรรมะเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมละ่ะถ้าพุทโธไม่รวมเกิดไม่ได้นะต้องบริกรรมเอาความรู้นี้มารวมอยู่ในจุดคําบริกรรมคําไหนก็ตามให้เป็นที่รวมของผู้รู้เช่นธรรมโมหรือสังโฆก็ตามหรืออัถิอัถิก็ตาม ผู้รู้ให้อยู่ที่อัตถิอัตถิคืออริยสัตว์จับอยู่นั้นทีนี้เวลาจิตไม่แยกแยกไปไหนให้อยู่นั้นต่อไปก็สั่งสมความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นความสงบเยือกเย็นก็จะปรากฏขึ้นจากคำบริกรรมที่ยึดเป็นเกาะไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ปรากฏเป็นความรู้เด่นขึ้นมาขึ้นมาผู้รู้เด่นแล้วที่นี้ ผู้รู้เด่นแล้วก็เรียกว่าเป็นความสงบสมถะธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันแล้ววิปัสนาธรรมสมาธิธรรมเกิดขึ้นจากจุดนี้ไม่เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากอะไรตัดพระพุทธเจ้าแล้วก็หมดไม่มีความหมายเลยทำลายศาสนาว่างั้นเลยถ้าลงตัดพระพุทธเจ้าว่าไม่ให้มีแล้ว เป็นผู้ทําลายศาสนาโดยตรงถ้าเป็นพระก็ทําลายอยู่ภายในภายในวัดภายในศาสนาถ้าเป็นคารวาสก็ทําลายอยู่ข้างนอกผู้อยู่ข้างนอกก็ทําลายศาสนาอยู่ข้างนอกผู้อยู่ข้างในก็ทําลายศาสนาข้างในศาสนาก็หมดชาติก็หมดเพราะชาติอยู่กับศาสนาเฉพาะชาวพุทธของเรา มีเราได้ยินแว่แวมาอย่างนี้นะเทวดาไม่มีนั่นฟังสิพระพุทธเจ้าสอนเทวดากับพุทธบริษัทป ร, ระชาชนทั้งหลายนี้เสมอกันหมดในพุทธกิจมีตอนบ่ายสามโมงสี่โมงสอนพ่อค้าประชาชนตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนค่ำประธานโอวาทแก่พระสงฆ์บาลีก็มีแต่เราไม่ยกบาลียกเนื้อความมาแปลเอาเลย ตอนค่ำสอนพระสงฆ์อบรมพระสงฆ์ตอนเช่งคืนไปแล้วก็อบรมแก้ปัญหาเทวดานี่พุทธกิจหเป็นสามข้อแล้วนี่ยละ่ะในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทธกิจคืองานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคนอื่นจะทำอย่างพระองค์ไม่ได้พอเ่ยงคืนมาก็สอนบรรดาเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับมนุษย์นี่อันนั้นเป็นนามธรรม อันนี้เป็นรูปธรรมเห็นกันอยู่นี้อันนั้นเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเทวดาประเภทต่างๆเช่นอย่างตาเรานี้มีวิสัยที่จะดูรูปหูไปดูแทนรูปไม่ได้ตาจะไปฟังแทนหูไม่ได้เป็นคนละหน้าที่หน้าที่อันนี้หน้าที่ของพระญาณอย่างทราบหรือพระจิตของพระพุทธเจ้าควรจะรู้จะเห็นอย่างนี้ก็เห็น ควรจะรู้เฉพาะวิธีจิตคือพระยานอย่างทราบจำพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมเปรตผีประเภทต่างๆเป็นวิสัยของจิตล้วนๆที่จะดูไม่ใช่ตาเนื้อจะไปดูท่านก็เอานั้นออกดูเอานั้นออกใช้เอานั้นออกสอนนี่เป็นประเภทพวกเรามีอีโต้อันเดียวไปฟังโปกๆสร้างบ้านทั้งบ้าน ก็เอามีดอโต้อันเดียวสร้างปราสาทหกเจ็ดชั้นก็เอามีดอีโต้อันเดียวจะเอามีดิโต้อันเดียวไปอวดในช่างเขาได้ยังไงนายช่างเขามีเครื่องมือกี่ประเภทพระพุทธเจ้าเป็นนายช่างเอกเลิศเลอมีเครื่องมือกี่ประเภทสั่งสอนสัตว์โลกด้วยเครื่องมือคือธรรมะทั้งนั้นท่ญนแยประเภทประเภทเที่ยงคืนสอนเทวดาก็อยู่ในพุทธกิจห้า ลบออกได้ยังไงจากนั้นก็เลงยานดูสัตวโลกพบเพพพาวิโล ก, กานังส่งเลงยานดูสัตวโลกใครจะมีอุปนิสัยปัจใจพอเป็นสาระและเป็นสาระซึ่งควรจะได้บรรลุ ธ, ธรรมอย่างรวดเร็วแต่จะเสียชีวิตเสียก่อนก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนเมื่ออยู่ในฐานะเป็นไปได้จากนั้นก็ ปุพเเนหะปินดาปาตันจะกออกบินทะบาดโปรซาตโลกนี่เห็นไหมนี่พุทธกิจห้ามีอยู่นี่ตัดไปไหนเทวดาตัดไปไหนถ้าตัดก็ตัดออกหมดอยากนั่งอยู่นี่ตัดออกหมดว่าเทวดาไม่มีพวกนี้ก็ไม่มีเหมือนกันจะว่างไงก็ในคำสอนอันเดียวกันอันนี้ดูด้วยตาเนื้อ ดูพวกกายทิพดูด้วยจิตใจเหมือนอย่างเราฟังเสียงด้วยหูเราดูสิ่งต่างๆด้วยตานั่นมันเป็นคนละวิสัยคนละวิสัยจะเอามาสับสนปนเปนกันไม่ได้นะมันใช้ไปคนละทิศละทางแล้วเครื่องมือที่สั่งสอนสัตว์โลกประมาณว่า8ปดหมื่สี่พันพระธรรมขันนี่เครื่องมือของธรรมะที่สั่งสอนสัตว์โลกนี่พอประมาณนะ ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกไม่ต้องพูดละรอบโลกท่านเลยและหนว่าเทวดาไม่มียังไง